5ส Languages ปตินไปเที่ยวกลางคืนมอลลี่ปดิลเบดิเก้อบดที่นี่มีดิสโก้เทคไหมอิงก์เยดุงดิสโก้ิริิรดา ที่นี่มีนายคลับไหมยังองอั้นยัมยีราบเคล็ดเขวิ่งดิ่งระดที่นี่มีผับไหมยังงั้นยัมคุดิกุ้วิ่งดีผับยิ่งระดเย็นนี้ที่โรงละครมีอะไรยังงั้ ม, ามาองลอะไงี้เยนนะคาเลนิกัดชีนัดนดดดั่คุนเดิระด เย น, นีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรอินดุมอลเลยซีนิมออัรังกิลเย็นน่ะซีนิมอวอดีคุณดีอีกคราดุเยนีที่โทรทัศน์มีอะไรดูอินดุมอลเลยท๊อเลยกอดชิกลเย็นนะอีกคราดุยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะอัรังก์นิกาชิกลติ๊กเก็ต இ ப ் ப ொ ழ จะு கூட கிடைக்குமா? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะซีนีม่าวิ่งก์ติต๊กเก็ตอีพอดีจะกดกระด க กขึายังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะคอลพันดาอัตวิเลยอตร์ก์ก์ติ๊กเก็ตอีพอดีจะกดกระดิกขดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง க านักพินพูร உட்கார வ ேเ் ட น ம ் ด, ด, ดฉันต้องการนั่งตรงกลางย க นักนัดูวิลยังก้าวบัดอุจการเว้นดมดิฉันต้องการนั่งข้างหน้ายานักม ப ு ற ம ் உ ட ் க ாก வேண்டும் คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม นิ่งกันยังดูงยนันักซีบอร์สเซียหมุดิยุมาการสแสดงเริ่มเมื่อไหร่กันชีเยปปอร์ดุอาร์มบมคุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหมนิ่งก எனக்கு ஒரு டிக்கெட் வ ா ங ் க ி த ระหมุดิยุแถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม 잉ก க พั த ก์ทิลเยดมุมกอล์อ் திடல் இ ர ு க กขி ற த ாแถวนี้มีสนามเทนเเทนิสไหม잉ก์พักก்ทิลเยดุม்ทนนิสคอร ட ் இருக்கிறதா? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม இங்கு ஏதும் உ ล์อารังกานิชลัลคุลัมอีรักขีระดะ